ประธานห้าเนี่ยยางชุ่ยย้อนละแส่เก็ใส่ให้เห็นกับการคิดเข้าทุกทีที่ความตายมาปรากฏร่วงให้ทุกอย่างหายใจนั่นแหละไอ้การคิดใความดีเพ่จะได้เราตัดขั้วดำมหาบุรุษพระเาของเราเพระองนั้นก็เบื่อไรแฉ่เกไรใส่อะไรเงี้ยแต่เราม่จะเชื่อประโยชน์อยู่ในการคิดข้างข่าวเลยท ที่เราจะรู้ทำให้เขาดีสักเราดีเป็นประโยชน์เพิ่มหน่อยอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าโนวทางที่จะรู้ได้ก็ความตายมาปรากฏความแก่มาปรากฏความเจ็บมาป ร, กร า, าปรกฏนั่นเองจริงจริงว่าอยากทำดีกับเราอาจจะไม่หลงไปในนั้น หลวงนานานันก็คือหลงวงราพยัค์ชทันตวลว่าหลว ง, เ, งเล็ยังชินรถแตตถาหลวงโยที่อาศัยโงไปตามพักสามพวกทร ง, งโลกหรือโลกธรรมเพื่อเราจะไม่เบื่อโลกธรรมเราจะเบื่อโลกธรรมเรจะหมายใจเจ็เจ็บตัวตายเห็นว่าจะเป็นอสุจารของหน้าเสียดนาตาสุขุลที่ราชปราจักใส่รงนานันเขาก็อาจจะ ไม่ละใครไม่เฉยเฉยเขาจะกลัวแลวเขาจะเลียว่าผีซ่าของไม่ดีจะเป็นภรรยางามจะเป็น ง, งามก็่าสามหรือดีดารถตอนก็่าสามอาจจะสิ้นที่ไปเมือนน้ำเพื่อไปไม้ใจที่เส้นไปเพราะฉนั้นถ้ามันจะใอย่นั้นเราก็ไม่ทำด้วยเขาทำสินงปรงะมารแบบนี้ปฏิบัติพราจะทำอาไรกันข้องว่าให้ใครดู จะทำธุรกิจของเราสำเร็จได้เป็นพระเกณฑ์นเห็นไหฮะให้จรโรได้ดีเพื่อของเราจนเพื่อเลวได้กอถามได้ยอดเยี่ยมาจจะสมสักดิ์สิทธิรัฒนาทำให้ถูวิองคนประชาชนหรือคนทั้งโลกหรงอจฬามา์ดอนเราเพื่นเพ่อนต่อสกุลผู้สร้างศักเราให้เขาได้เห็น ดังมหาบุาตรพระเจ้าขอยงยุทธการควางามความดีได้จัดทระเทแล้วก็ได้ไปเปี่ยงนี้เปี่ยงสียงก็โตมันดาลพระยาถ่องเวียงสานกษ์หายส่วนโลถอะนรอย่างนี้นี่แหละเพืว่าอาจจะเปลี่ยนทฤษดีอ น, นาจไม่เรยเสียแกชนสาวโลกเขาเขาจะชงใจในการเทวบทถึงอย่างไรเรากจะอันตรชน จะเก็บังไว้จะริ่มได้เพราอักษร อ, อักษรของควานั้นคือความดีจะรู้ทำโดยทุกทีตท า, างหลังนี้ถ้าความดีจะเกิดได้เพราะเราทำถ้าเราไม่ทำเราก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นรโลกหลานที่จะเอาคือเอาเกิดตอนด้วยกิดตอนต้นของส่วันนี้สร้างกรรมฐานให้แก่กลา เมื่อกรรมฐานเสียได้แล้วก็อาจเป็นหน้าที่จะได้รับมรคนโดยเลยรวดเลยถ้าจะได้จัดจรู้ความเขียนก็อาจจะยิ่งเปลียนยิ่งขึ้นไปนความเพียนตะเขาที่ความเลวร้อนเพื่อเผยจิเล่เพื่อเผาศูนย์ทีไม่ดีางานมนันให้หมดไปเม้นอเทีนหมดไปนั้นก็อาจจะขาวสะอาดเมื่อกลายจิตใจ น, นั้น ได้ตั อ, อาจจะเปลงมาขนแจ่ขนทุกคนอันจะเกิดมาคราวครั้งหรือครั้งข่าวเท่านั้นแต่รูค้คำที่ประโน์ไว้ลอยแล้วที่จะไม่ให้เสียถ้ามาตายแล้วกว็เขาก็อาจจะโน้นใหญ่เขาจะนับเป็นตัวนิยายนึ้นทุกคนนั้นนี่แหละดังเขาเล่นละครเล่นนิยายนะ่ อำนาจเป็นส่วนหนึ่งของเขาที่ตระหน ท, ที่เขาสแสดงที่ตระหนักเฉยถ้าบางคนจเปลี่ยนอาจนีไม่ใช่ไม่ใช่ของจริของจริงนั้นที่จะเปลี่ยนชื่อว่านิยายแล้วกว็จะจะให้เป็นประวัติประวัติของที่บุคลบคลที่ทำดีหรือบุคคลที่ทําดีได้ผลดีไปแล้วจะรู้อักษรว่าให้เขาอ่านส่วนอย่างนี้ เขาจะอ่านในที่ล่ประ จ, ะจนหรืออ่านไปในอนาคตเพื่อโสดสายศักระบุตรหรือตวัติศาสตร์ของมหาบุรุษคนเราต้องการที่เป็นมหาบุรุษต้องการที่เป็นที่ละดีหม่ยศรัทธาเพื่อตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไปเก็บมาอ่านหรือทีู่่าจะอาศัยน จะทำรนให้ดีเพ่งที่ที่จะเห็นว่ามันจะมดเวลาเพราะความเจือผ่านลงทุกนาทีเืนาทีหรือชั่วโมงวันคืนสัปด า, าเดือนเดือนแล้วก็เดือนหล่อปีอย่างนี้อยู่เรื่อยไปมักกร า, ากลากรักระดาลาก็ควกระดา ลุทนาแต่ลุทนาอยู่ซึมหางแต่ซึหาอยูกัญญาแต่ัญญาอยูุ่รกัตายพุทธิีกาแต่พุทธิกาอทนวะทันวอยูมกราแมักรอยู่คุณภากับคุณภาอยเป็นส่วนเลยยนาแต่นาอยูเนราเนาอยูพุทธากตบพุทธพาอยอะไปแต่ที่ไหนพุทธาไหน เมษาไหนมีมนาไหนสุมทานไหนทานวาไหนมกราไหนทันวาไหนแล้วแบบทุติกตาหน่อยอีกดุราไหนดังนี้ทานยาไหนสิลหาไหนขอกระดาไหนเพื่อไป กวันหนึ่งหีือวันใบถ้จะมิรักษาจะไปจากไปซึ่งนั้นของวัดของชอบใจจะช่วยใจฟัขงขานนั้นอาจจะกลายเปมนินดินแน่นอนไม่ระยัดวาท่ั้นไหนเสดไหนไหวไหนฉนออั้นแต่พระผูภาพท่านว่าชนเถิดชนจะไปส า, าทลายสุขเถิดวาย ถ้าเน้สภาพามาแล้วตองหยัดยางเข้สำร็จอย่ารอช้าอย่าลาที่จะทำเราคอ่งามสมดีให้ถึงที่ถึงที่ถึงจุดจบที่ความปรารถนาบัองอย่งนั่นแหละไม่ให้ความปรารถนานั้นแล้วมือรือไม่จงมันเลย มันแล้วมันที่จะว่าที่ไปึ้นมาที่เราจะทำให้มาดูไปที่ไหนขึ้นรถขึ้นลาประทับหลือเราไสถานที่นั้นจัดเป็นีือตัวขนย้าสถานก็ตามไม่ใช่ปราทเราก็จะสังเกตว่ามี่รงนี้ความดอะไร ท่านมีอะไรประทับอยู่บ้างอะไรที่ว่ามาอยู่ในในคนไหมมีคน ไ, ม, ไม้มีหุนทขาไหมมีศิลาไหมมีโลกาชาติเื่อเทววันมีเนืคนอาศัยอยู่เ ป, เป็นกลุม่มนกองแข็ชันแขวบ้างไม่รยแก่าแสมาทามาให้กินแสดมาตู้ย็ในแผ่นด้น สาจจะพร้อมกอย่างกันเป็นการีนแง น, นอนทัานหมดไปมีเชื่อประการในข้อความเพราะฉะนั้นขอเราเพื่อเกิดการศึกษาอาจจะทำให้เกิดปลัญยาขึได้เรา จ, จะทำประโยชน์ดได้ดีดังนั้นก็เปลี่ยนเป็นเนชนนินนี้ถ้ามเรียกว่าอยู่ในอริยบทจะเดินหรือจะนั่งจะนอนก็ดี เชื่อไปมากว่านี้นั่งเพื่อประโยชน์นอนก็เพื่อประโยชน์ไม่ให้หลับหลับเกินไปแต่เราหลับจพ่ในกายที่ไม่สลัางนั้นก็หลับเพื่อเป็นอาเนศอันนั้นตัดชากมาแล้วทำไมจะมานอนอีกเป็นบทพิจารย์ทำสองครั้งได้ห้เป็นละนอนข้างเดียว ยิ่งนอนตามเกเที่เราขาดหมายวายไม่ใเสริมความนอนเพาะบตัวอาจจะสบายเฉลาสายสูีนั้นจะมาช่วงเชีนั้นคืออะไรวามเกียดขานมันจะมาช่วงชีขนอมมากแลวและอาจจะให้เสียเวลาการทำงา น, ง น, น, านโดยการรัรษาสอนนอนการ ท, ารทันจิตเพาะตอนลดบอบคลอื่ังนั้นมี่แหละ ที่เอาจโดียแล้วก็ศึกษาตนให้ดีตนให้ดีดายเสียก่อนเพื่อจะไปทำนำการแพร่ผ่านการศึกษาแจกฟุ้ช น, น, น, นเมื่อผลแล้วเมื่อตนได้รับผลดังความมั่นหมายแล้วเพราะฉะนั้นพิโรธานที่จะต้องการพาการศึกษาวส่สตนให้ลู้สอนและรูตัวของตัวทั้งจิตของตนอันขาดมาอาดีต เราปัจจุบันโลกใหมเป็นใครบ้างไปข้างหน้าจะทําประการใดดีชั่วประการใดความดีจะมาประทับเราได้แค่ไหนความชั่วจะมาชิงหรือบ่อนทำลายเราได้อย่างไงเพราะเหตุ อ, อะไรตรงนี้นอั น, นั้นจะรู้อนาคตจะติดสุขสบา ย, าายาจะสวมหลับผู้ไปด้วยยุชาจะก่อนจะไมยิ่งนอน เหรือได้เมาด้วนอนเมาที่เสียชิง น, น้นเมาในาไหวเมาในการที่ว่าพบเมาในที่อยู่เสียใสนานและรู้ในเสียงเป็นอดเมาในการที่โสทพาเรารู้ทำมารมณ์ด้วใจที่พื่วเมาสรรเสริญรอยู่ดังนั้นทางเลุ ท, ทาเมาอยู่ในการที่ทำ ม, มือรู้ความสว่า เมื่อสว่างก็อาจจะเป็นชรงที่ว่าดีด้วยความมือเรามื่อแล้วเมื่อควเมื่ อ, อเรื่อตะวันสายใหญ่คอ่อยเยี่ยมไขว่ต่อไปรับเขาเลี่ยมพระเจ้มืองครึ่รับบางโลกแล้วก็นับว่าหมดแสงไฟทึบจะแพ่เพราะฉะนั้นอาศัยพระจันทร์แค่ต่อหรือถ้าหาว่ามีพระรามหกเชื่อเข้า ถกดุกกำบังแล้วก็อาจส่องไปได้กางวันขั้มืดการส่องไปได้เพราะแม่พ ร, รามหกทึดจุดบังอยู่นั่นนั้นไในการเทวะเศาะไม่สล่างหรือมีแต่แสงยึดเหียวเพราะเะรู้ว่ากลางวันเท่านั้นแต่ไม่ชัดเด่นในการเทวะสว่างหมดแสงหรือหมดดวงไดเพราะฉะนั้นอาจจะมีเ่้งเสื้อ ได้ความร้อนถ้าะหว่างมาก็อาจจะกลายเป็นร้อนเหมือนกับว่าปัญญาเรื่องเร็วก็ก็เนี่หลรงที่เรารในการทื่เราเรงปรัญญาอาจจะท่ำให้เราเ ท, ที่เพราะปัญญาอาจจะเละถอนเกินไปปัญญาจะมา ร, รื่จา ก, กวา่ากาหนดกดแกนนั้นก็ถ้เราก็ได้ศึกษาเป็นอย่างองีก ที่จะให้มีกสุขตาการประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้รธรรมบิสุทธิที่จะทำให้็นบัตรทิศได้โดยสมบูรณ์ม น, นคือความรู้ความเข้าใจบัตรที่ต่หน้าตาเพื่อชราต่อตัวนายก่อนใจทุกจิยียงอย่างไปพระพุทสทาสทานชินตอหน้าเข้าบาครับก็เป็นหนาตาชั้นเดียว มนทางมสนสศิลป์ศึกษะปัญญาการสนตบ ก, การศึกษาได้พอสมควรแะศึกษาใจที่เท่าที่จะให้หมดในการเท่าหือนทางศึกษาศึกษาให้ที่รู้ผลผลที่ราดแนใปในการที่วันรอบจบหมดจบในการศึกษาแล้วนั่นแหละก็อาจจะรู้ว่าในการจะรู้แจง้ง แหงตลอดไปจัดเป็นปัญญาส่วนหนึ่งเพื่อว่าขุดค่าให้มันถึงเหมือนถ้าเราขุดบอกคำบออดอังนี้มันจะออกน้ำาต่ไม่ถึงกำลอดมันก็น้ำไม่ออกแต่ขุดไม่ถึงแบนไม่สดดังนี้ ระคำว่าแดนไม่สดนั้นคือแดนเพลาไม่น้อยแดนไม่ถึงที่สดที่การจังหวะเดินไปถึงสุดนั้นกล่าวคือการศึกษาจ ะ, จะเลิกสัพาะว่าทําและเลิเหตุเพ่ผลถ้าแดนน้อยใจขั้นๆก็อาจจะแปลว่าการศึกษากั้นการหลอาเลนน้อยถ้าหากว่าเราเพื่อเดนเพ่าให้มันสด ผู้การพว้นทางเลยนสุดเ่นี้คืละเอียดที่ม่แล้วขอเธอว่า้าเดินไปไมาได้เลยปัญญาเดินสุดแล้วอาศโลสภาพนั้นนั้นได้ให้กว้างขวางโลเละเพื่อผลจะได้ขวัดเดินครเดินไม่จัด่างขันได้สุดตาลาดสุดตลาดการเพื่อเพื่อปฏิบัติการเพื่หล่ากรบบมา เป็นหงเป็นชายเป็นสตรีหรือเป็นประโยชจะทนให้สดจะทำให้ดีดึงไม่ว่าทำให้ไม่ให้ดีทานดีสินอดีภาวนาดีทานเสืนทางของทานเงินทางของอร่อยดีทานนั่นแหละทานในการบดยชานแนลอาจจะเป็นสมบัติของัวืเทาวาทานดี ฐานก็เป็นหัวนทางแดนของฐานฐานจะได้ฐานจะยิ่งขึ้นไปสมบัติเพื่อเข้าของฐานจะเมืองนองมาด้วยผลฐานที่อดีตหรือปัจจุบันจะได้ประสบกับว่าฐานรับวาดอันมหาศาจลจักรราษฎรเป็นยศกวเชิท่านบราณย์ยศกวาใหญ่ก็ ร, รักษาสุดมากทีเดียวมันชื่อว่า เจอในลักษณะว่าพระวันพระคันที่ไม่ว่าอาจัจฉากยะหรือลาบากสักกันใดการรับเอ็นในการกายชื่ใจเป็นโ อ, องสู